อย่างถูกต้องนะไม่ใช่เรามา ม, ามั่วกันไปโดยที่ไม่เป็นหลักที่พิสูจน์ไม่ได้นั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ได้เรียนรู้ตามลำดับเพราะที่แล้วมาเนี่ยามาว่าส่วนใหญ่มั่วๆดังนั้นคือพุทธเจ้าท่านหลักประกันหลักสูตรของท่านเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยระดับคนที่ไม่เอาไหนที่สุดเนี่ยทุกต้องลดลงหรือหมดไป คนที่ตั้งใจที่สุดฉลาดที่สุดภายในเจ็ดวันถึงเจ็ดเดือนคนปานกลางหนึ่งหนึ่งปีถึงสามปีเนี่ยต้องทุกต้องลดลงหรือหมดไปที่ท่านประกันหลักสูตรของท่านไว้แต่นี้เราทำกันมาสิบปียี่ปีสามสิบปีคนทำมาตลอดชีวิตยังยังไม่ไปไหนเลยยังมีกิเลสเต็มหัวมือเดิมแสดงว่าเราทำกันมั่วๆไม่ได้ทำกันตามสูตรที่พระเจ้ทาท่านตรัสเอาไว้ ตอนหลังมาก็มาปรับโดยเฉพาะในช่วงที่มาเข้ามาทํางานกับสถาบานสสันอาสมศิลเนี่ยก็มาปรับตามหลักสูตรที่ถูกต้องให้มันเข้าได้กับหลักวิชาการสมัยใหม่ในปีแรกอบรมครูอาจารย์ทั้งหมดของอาสมศิลป์มาปีนี้ก็อบรมทั้งนักศึกษาปีสี่แล้วทุกคนที่เป็นศิลปาจารย์ในการอบรมทางด้านนี้ ทั้งหมด7จนะ็ทั้งหมด6รุ่นนะนี่เพิ่งเสร็จไป5รุ่นรนะุ่นสุดท้ายคงจะไปที่สมศิล น, นะนั <c oughs> <c oughs> ่นเองก็จึง <c oughs> อยากจะให้พวกเราทั้งหลายนี่ได้ไ ด, ได้ได้ศึกษาปรับให้มันถูกต้องกันใหม่นะด้วยที่เราไปดูแบตเตอรี่มนแบบแบบนะมันไม่ไม่นิง่งมันไม่ได้ใส่ตัวนั้ น, นะนได้ใส่ตัวตัวรับมันนะตัวรับมันนะ นคุณไม่ได้เคยใช้เหรอนี่เนี่ยเอาตัวรักไปใส่เปิดขึ้นไปมุนใส่ตรงนีน้ใครทำเป็นเอามานีมา เพราะนั้นเราจะเห็นว่าการกดออกไปมุนเรากดลอกไปไม่ถูกต้องอามันนี่ได้แล้วคุณทำไม่เป็น เปิดเลยขอเองเปิดเลยขอก็ในช่วงหลังนี่มี คนติดตามไฟล์ต่างๆไฟล์ภาพไฟล์เสียงไปลงสื่อนะซึ่งทมาเองก็ไม่อยากจะให้ทำเพราะว่าเวลาเราถูกลบกวนเยอะคนจู้จักสื่อะฉะนั้นไปที่สนมวกกรุงเทพจู่ๆช่องสามโผมาก่อนเอา้าคุณมาได้อย่างไรคุณไม่ได้ต่อมาก่อนมันก็ออกลายเลยว่าได้ทราบว่าหลวงพ่อมีเมตตา ม, มาก คงจะอนุญาตลูกหลานให้ทำเขามาลูกนี้เลยนะโอ้เราก็ไปไม่เป็นเลยทียนี้แล้วแต่แต่ปัจจัยแต่อีกคณะหนึ่งช่องเจ็ดมาติดต่อหมอพันธิบำไว้ก่อนมาก็บอกว่าหมอมาไม่ได้ออกสื่อมาก็ยุ่งพอสมควรแล้วนะถ้าไปออกสื่อมาไม่เวลานะอครูบาอาจารย์ตายเร็วก็เพื่องี้ยพอสื่อออกไปแล้วคนมาลุมาตุ้มไม่เวลาพักผ่อน พวกเราไม่รู้จักเซฟครูบาอาจารย์ก็ทําไงได้หลวงพอ่อว่าไอคนเดียวไอ้คนที่ทําช่องเจ็ดมันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเรามาสมัยเรียนมหาจุฬาด้วยมันก็ได้ต่อแล้วดิต่ออีกผัวพระพที่ไปออกช่องเจ็ดไม่ใช่มีพระทั่วไปหรอหลวงพอ่อมีเจ้าคุณประยุทธ์องค์หนึ่งเชยะสาโลองค์หนึ่งพางกิดแล้วหลวงพ่อนี่แหละพูดไปทุ่มมาก็พอต้องยอมเขาานะก็เลยเรื่องของการ เผยแพร่เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีเวลาพักผ่อนหรือไม่เวเป็นของตัวเองพอเนี่ยรายละเอียดมันจะไม่พอเมื่อรายละเอียดไม่พอที่คนตั้งใจมาปฏิบัติเนี่ยเขาเสียเวลามาเสียเงินเสียทองก็จะมาพบกันได้เนี่ยเราต้องจัดสรรเวลาแล้วอีกถ้ามาแล้วเนี่ยมาฟังมาศึกษาไม่คุ้มกับเวลาแล้วสิ่งที่ศึกษาปฏิบัติไม่ได้ผลเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราเสียเวลาเรา นะเพราะนั้นเราคำหนึ่งถึงคนที่มาว่าจะตั้งใจมาและคนที่มาแล้วเนี่ยต้องได้ได้ผลจากการปฏิบัติพอสมควรตามสติปัญญาของแต่ละคนบางคนสติปัญญาน้อยก็ได้ตามน้อยสติปัญญาปานกลางก็ได้ปานกลางน ะ, ะสติปัญญามากก็ได้มาก องค์ประกอบที่จะได้มากได้น้อยตามลําดับในอีกสององค์ประกอบก็คือศรัทธาและความเพียรนะคนมีสติปัญญาน้อยหรือมากปานกลางถ้ามีศรัทธาความเพียรตัวนั้นเป็นตัวแปรที่สําคัญแต่คุณมีสติปัญญามากน้อยแต่ว่าศรัทธาและความเพียรไม่ประกอบเนี่ยมันก็ไม่ไม่สําเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นตัวศรัทธาและความเพียรจึงเป็นตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบหลักที่สําคัญนะ แต่นั้นในการมาศึกษาปฏิบัติเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนสติปัญญาที่มันเป็นสมาธิมิวิชาทิฐิให้เป็นสมาธิิเปลี่ยนสติปัญญาที่เป็นสักยะทิฐิเนี่ยให้เป็นสมาธิิเปลี่ยนมานาทิฐิเนี่ยให้เป็นสมาธิให้ได้ถ้าทั้งสามทิฐิเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ยาก ที่เรามาแปลว่าทฤษฎีทิฐิเราะเอาวิทฤษฎีหรือทิฐิมันเป็นความรู้เป็นตัวกลางที่นี้มันจะประกอบด้วยสักยะประกอบด้วยมิจฉาหรือประกอบด้วยมานะเนี่ยตัวนั้นเป็นตัวตัวแปลที่สําคัญการที่จะไปแปลเอาตัวมิจฉาสักยะทิฐิอันนี้ภาษาบาลีนะคนไหนไม่รู้ก็ก็แปลฟังแล้วก็มานะทิฐิเนี่ยจะให้แปลเป็นที่เป็นสมาธิทิฐิได้เนี่ยมันจะมีตัวแปลเหมือนกับ เราจะหุงข้าวต้มแกงเนี่ยถ้ามันไม่มีไฟไม่มีน้าเป็นตัวแปรเนี่ยสิ่งที่เป็นเครื่องแกงหรอินคลิเดียนทั้งหลายที่จะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องแกงได้เนี่ยมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะไฟเพราะน้าไม่พ อ, อไฟก็คือความเพียรน้าก็คือศรัทธาศรัทธาและความเพียรเหมืนไฟกับน้าที่เป็นตัวแปรที่สำคัญ ศรัทธาคือความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นความตั้งใจความศรัทธาความเริ่มใสนะความมั่นใจที่เราจะทำํำนะมีความตั้งใจที่จะทำศรัทธาความเพียรลงมือพิสูจน์นะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ลังเลที่จะพิสูจน์พิสูจน์ไปศึกษาไปแต่ว่าเราไม่สามารถจะห้ามใครมาให้เกิดความลังเลได้เพราะเป็นของใหม่ เทราะว่าวิธีการของพ่อเทียนถึงแม้ว่าจะาได้รับการเผยแพร่มาไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วเนี่ย50ตก5 7 5 8ปีก็ใช่ว่าจะกระจายไปทุกจุดทุกหมู่ทุกกลุ่มแล้วก็ยังเป็นของใหม่สำหรับคนบางคนอยู่โนะดยเฉพาะมาเข้ามาในดูแลนักศึกษาปีสปริญญาตรีของคณะประกอบการของอสมศินเนี่ย ในแต่ละกลุ่มประมาณสี่สิบห้าสิบคนเนี่ยถามว่าใครผ่านเคยเห็นวิธีการนี้มาก่อนบางบางคณะบางบางรุ่นเนี่ยไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อนเลยนี่เป็นเรื่องที่ว่าคนที่รู้จักก็รู้จักกันมานานคนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยก็ยังมีอยู่ทั้งที่บุคคลเหล่านี้เป็นเป็นผู้นำชุมชนนี่สาปีสีของคณะประกอบการหมายความว่าคนที่ประกอบอาชีพมีอาชีพมีการมีงานเป็น ตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยเข้ามาปรับความรู้ฐานเดิมเนี่ยจากม .6 หรือจบอาชีวะจบวิทยาลัยอะไรมาที่ไม่เป็นปริญญาตรีมาปรับเป็นเป็นปริญญาตรีอีกสี่ปีท่านเองเขาเรียกคณะประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผู้นําทางสังคมก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตเป็นอสมเป็นผู้ช่วยกำนันอะไรเนี่ยบางทีมี ทหารตำรวจข้าราชการที่เกษียณแล้วหรือกําลังศึกษาอยู่ตลอดถึงพวกเด็กเยาวชนที่เขาไม่ต้องการที่จะต่อมาภายในและมหาลัยในระบบเข้ามาเรียนทางนี้นะซึ่งเราว่าคณะประกอบการทางสังคมแต่ว่าในปีที่4ี่เนี่ยเขาเอาหลักสูตรของหลักสูตรที่ปัิศนาเข้าไปด้วยแล้วเขามีการตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ปัิศนาที่จะเข้าไปในเรื่องเหล่านี้ควรจะเป็นแบบไหน เขาก็มีการสรํารวจเข้ามาประมาณสองปีเคยใช้อนาปนานสติพุโทโธสัมมาหังยุ่หนอพองหนอเนีเข้ามาใช้ประกฏว่ามันมันไม่เวิร์กนะได้เป็นบางคนตอนหลังมาก็เอาวิธีการของพ่อเทียนไปศึกษาไปปฏิบัติกันพิสูจน์กัมาสองปีเขาบอกว่าวิธีการนี้ใช้ได้เมื่อวิธีการนี้ใช้ได้ก็เลือกหาตัวครูบาอาจารย์ที่จะไปนําเสนอก็มาตกเทียตา ม, มา แต่มาก็ทํางานหนักกันทีนี้ระยะสองปีมานี้อันนี้คือนอกเรื่องไปหน่อยนะที่กลับเข้ามาในเรื่องอในเรื่องเขาเราพูดถึงเรื่องอท่าสี่ขันห้าที่เป็นในวิธีการเคลื่อนไหววิธีการของพ่อเทียนบางคนที่เข้ามาไอวิธีการนี้ไม่เห็นเ้าสอนกันมันเป็นวิปัสสนาจริงหรือเปล่าอยู่ในพระตไตรปิฎกเล่มไหน บรรทัดที่เท่าไหร่หน้าเท่าไหร่อะไรบางคนสอบสวนขนาด น, นั้นเลยนะคนที่เคยเป็นปรารถนเป็นอาจารย์เป็นนักบวชมาก่อนเป็นมหาป ร, ริญมาก่อนอามาเขาบอกว่าในหนังสือสวดนตเนี่ยเล่มเนี้ยโดยเฉพาะหนังสือสวดมนตเล่มเนี้ยมาปรับใช้มาตั้งแต่ปีสามสามสามสามสี่แก้ไขมาเรื่อยๆตั้งสิบ0ี่ครั้งเนะี่ยจนสวดได้ในศรีปรัญชีเมื่อก่อนศรีปัญชีสวดไม่ได้ เพราะว่าแปลยื่นเยอะไม่สามารถจะสวดได้ <c oughs> ปรับมาเรื่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ในสายงานของเราหนังสือเรื่องนี้ก็จจายไปไปทั่วนะะก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่ปีนี้จะไปปรับใหม่ว่ามันซักพิมอะไรเข้าไปเรือเทอะมากขึ้นบางสำนักก็เอาแบบเอาสูตรเอาไรไปลงที่เป็นพรามเป็นผีลงไปเยอะแยะเลยนะทีนี้ในเมื่อเขาถามอย่างนี้เราก็ ให้กลับมาดูสติปัฏานสูตรเป็นหลักในสติปัะฐานสูตรนั้นที่ท่านเริ่มต้นด้วยว่าเอกายนมัคโคสตนานังวิสุทธิยาโสกะบริเทวานังสมติ ก, กมายะทุกัโทมนัสานังอัถังคมายะญาญาสาธิขมายะนิพานาสสิกิเลถายะเนี่ย <c oughs> เริ่มต้นจากต้นต้นมันว่าตั้งตั้งแต่ ต, ต้นนั้นมา เพราะว่าสติปฐานสี่เนี่ยเป็นทางเดียวนั่นว่าเป็นทางเดียวที่จะทำให้คนกลับมาสู่ตัวเองได้ทั้งอื่นเนี่ยคำสอนทั้งหมดแปดห0ื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยไม่สามารถจะตับตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นฐานได้เลยนอกจากสติจึงใช้คาว่าสติปฐานไม่มีคาว่ายานปฐานปัญญาปฐานวิชาปฐาน เมตตาประธานไม่มีมีแต่สติประฐานที่เราคุ้นหูกันทีนี้เราก็มาดูว่าสติประฐานสําคัญอย่างไรท่านก็ต้องเป้าหมายว่ามีความสําคัญระดับแรกที่สุดห้าประการหนึ่งก็คือสัตตานังวิสุทธิยาแล้วเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดเพื่อการชําระจิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจิตใจของสัมพสสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์ได้เนี่นี่ความหมายประการที่หนึ่งของ ของเศรษประฐานท่านไม่ได้กล่าวถึงตัวอื่นเลยว่าสติเนี่ยสามารถที่ชําระจิตของสัมภสัตทั้งหลายให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ประการที่หนึ่งเลยประการที่สองท่านบอกว่าโศกกระปริเทวานางังสมรติกมายะความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ความวิตกกังวลความเศร้าหมองใจต่างๆเนี่ยสามารถที่จะข้าวข้ามได้ท่านไม่ได้บอกว่ามันหมดไปนะ แต่ก้าวข้ามได้เมื่อเราเดินไปตามทางเนี่ย <c oughs> มันมีหลุมมีร่องมีโขดมีหินเนี่ยเราไม่เสียเวลาที่จะไปถมร่องไม่เสียเวลาจะไปขุดหินออกแต่ก้าวข้ามมันไปได้ไปถูงเป้าหมายไอเรื่องที่จะไปถมหลุมถมร่องหรือปรับถน น, นใหม่นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนแรกเนี่ยคุณต้องไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางก่อนนะข้ามได้ การที่สามท่านบอกว่าทุกขาโทรมนัสหนังอัฐังเขมายะความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเอาออกได้ อ, ออกได้ทันทีเลยเหมือนกับเดินไปเนี่ยตามทางไม้ตกขวางทางหนามตกกลางทางกิ่งไม้มันโผล่มาจากทางทางนี้คุณคุณเอาออกได้เลยไม่โดยไม่เสียเวลาเหมือนกับการถุมลุงถุมร่องขุดหินออกจากทางไม่ต้องเสียเวลา ไอ้พวกนั้นข้ามไปได้แต่พวกน้ําพวกไหนพวกไม้ขวางทางนี่คุณยกไปได้เลยตัวความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่คุณเอาออกได้เออความไม่สบายกายทุกขะทั้วไม่สบายกายโทมรัสสาหนังความไม่สบายใจเอาออกได้เรียก no, ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่เอาวางอยู่ตรงนั้นไม่ได้ออกได้เลยเดินไปอะไรขวางทางไหนคุณหยิบ อ, ออกได้เลยเนี่ยอันนี้ความหมาย ลักษณะนั้นว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเหมือนกับวัตถุบางอย่างที่ขวางทางเดินเราอยู่หยิบออกได้เลยนะอันที่สี่ยายัสะอธิคมายะสามารถารู้ธรรมที่เราควรจะรู้เห็นธรรมเราควรที่จะเห็นถึงธรรมเราควรที่จะถึงแจ้งในธรรมที่เราควรจะแจ่มแจ้งได้นะคือหมายความว่าเมื่อทางดีแล้วนะคุณสามารถจะเดินไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ติดขัด แล้วก็อันสุดท้ายนั่นใชว่านิพานะสะสัจจิเกลทายะคุณไปถึงเป้าหมายปลายทางอย่างปลอดภัยไร้กังวลนี่นี่แปลแบบภาษาชาวบ้านนะนะหนึ่งเป้าหมายเพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทางคือจิตสะอาดสองสิ่งที่ทางไม่สะไม่เรียบร้อยมีอะไรที่มันเป็นหลุมเป็นร่องเป็น โหดเป็นหินก็ข้ามไปได้สมเมื่อมีอะไรตกขวางทางจริงไม้น้ำไหนใบหญ้าคุณสามารถปัดออกไปได้หรือออกไปได้ทันที ส, สคุณเดินทางไปได้เรื่อยๆหไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยอย่างใจเย็นเหมือนกันเถอะอันนี้5ประการเนี่ยเป็นเป้าหมายของกันเจริญเส่านชาวเอกายานามกะ่ะ ทางเดียวอ่ะทางนี้มันลักษณะเงี้ยทางนี้ไม่ได้มีทางที่จะปูพรมมาก่อนหรอกมันจะต้องมีอุบายสักเพราะชีวิตของเราที่เดินทางมาตลอดด้วยอํานาจของกิเลสที่ใช้คำว่าวัฏสงสารเนี่ยเราเดินมาตลอดตั้งแต่ต้นที่เราเป็นมนุษย์มาถึงปัจจุบันเนี่ยนับชาติไม่นับชาติไม่ท่วนน่ะพบชาตินับไม่ท้วนน่ะเราจะเดินต่อไปอีกเท่าไหร่เราไม่รู้ แต่ถ้าคุณมาเดินในสถติทางแห่งอเอกกายนามะคือสถติปัญสีเนี่ยคุณมีโอกาสรู้ว่าคุณจะไปเดินทางสิ้นสุดเมื่อไหร่ไปจบเมื่อไหร่แต่ถ้าหากว่าไม่ไม่แวะเข้ามาเดินทางเอกายนามะคคือทางสายเดียวเนี่ยทางสายเดียวเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าคุณจะเดินทางไปอีกกี่พบกี่ชาติหมายควตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไปบางพบบางชาติไปเป็นสิงสาลาสัตว์บางพบบางชาติเป็นเทวดาอินพรม บางภพประชาไปเป็นอบบยภูมิสัตว์บางภพชาติไปเป็นสุขติสัตว์สลับซาเปียนก็อยู่นีเรียกว่าวัฏสงสารแต่พอมาพบหลักสถิปิฐานสีที่พระพุทธเจ้าตรัสพบตััสรู้แล้วท่านค้นพบอนามาบอกเราท่านบอกได้เลยว่าคุณเดินทางสูงสุดชตาที่สุดไม่เกินเจ็ดปี อย่างกลางไม่เกินสามปียังไวที่สุดไม่เกินเจ็ดวันถึงสิบห้าวันโอ้ไวอะไรขนาดนั้นทำไมมันแตกต่างกันนะักจากเจ็ดปีถึงเจ็ดวันนะเราก็มาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระมกคลานะพบกับพระอาชาชิพร้อมกับพระเพื่อนของท่านคือพระสาดีบุตรพระพกคคลานะเจดวันทัดบุรุธรรมหลังจากพบพุทธเจ้า รสาธิบุตรสิบห้าวันบรรลุธรรมหลังจากพระพุทธเจ้าแต่คนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมที่ไวกว่านั้นก็อย่างพระยสกุรบุตรท่านพาหิย ะ, ายะท่านปุตติตาคาเทระพวนี้บรรลุธรรมคนละไม่กี่ชั่วโมงนั่นเลยภายในสามชั่วโมงเจชั่วโมงเพราะนั้นเราเดินทางกันมาไกลเนี่ยถ้าได้พบ บุคคลที่เป็นกิริยณมิตรเนี่ยสามารถย่นระยะทางได้ไว้ที่สุดเพราะฉนั้นกิริยะนมิตรจึงเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่จะทําให้เรานําคือพูดแนะทางเนี่ยเราจะไปใช้ภูมิเนี่ยคุณจะไปทางไหนนยคุณจะไปทางหนองบอัวแดงก็ได้ไปทางพักดีชุมพลก็ได้คุณจะออกที่บ้านหนองกุฎาตัดสูใช้ภูมิเลยก็ได้ถ้าคุณไปทางหนองบอัวแดงเนี่ยคุณจะต้องเดินทางประมาณ รหนึ่งร้ยกิโลอย่างงี้นะถ้าไปทางพักดีชุมพลคุณเดินทางประมาณร้อยกิโลแต่ถ้าไปดังบ้านโกทาบ้านหนองกทานี้ประมาณหกสิบโลอย่างเงี้ยคุณจะไปทางไหนอันนี้หมายความประสบการณ์ของของบ้านของวัดนี้นะไปสู่เชยอุมมเพราะฉะนั้นคุณจะเดินทางไหนก็ก็แล้วแต่แต่ถ้าที่นี่สามารถมีลานบินใหคเราขึ้นลงได้คุณเดินทางไปถึงชั่วโมงอย่างเงี้ย เออเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีหลักที่เราสามารถจะเทียบเคียงได้มันเป็นไ ป, นปนได้การเดินทางจิตกับการเดินทางกายก็ไม่ได้ต่างกันช้าเร็วขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจนะดังนั้นเองก็หลักของสติประฐานสูตรมาก็นำมาวิเคราะห์ดูหลังจากที่ได้พบวิธีการของผู้เทียนแล้วนะวิธีการที่แปลกกาบที่เราทามาว่าเมื่อก่อนเราทาแบบ นับเริ่มต้นจะอานาปนานสติต่อมามาใส่กเริ่มต้นที่สุดคืพุโทโธมาพบอานาปนานสติจากส่วนมกุกมาพบยุบหนอปองหนอจากวัดมหาธาตนะุมาพบกําหนดอายตนะทั้งหแบบอโศกเนี่ยมาผ่านมามันมันมันไม่สามารถจะลดมานัทิฐิสักยะทิฐิอภะมิชายทิฏฐิได้เลยแต่มาพบวิธีการของพอทุทธเห็นมันได้เห็นการการลดลงนะ ได้เห็นการลงช้ำจนกระทั่งว่าเข้าใจแล้วต่อมาก็ว่าเอ๊ะมันมันมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเข้ากับหลักสูตรพุทธเจ้าตรงไหนก็มาเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกก็ลงตัวกันหมดเลยแต่ว่าใช้คนละภาษาท่านเองหลวงพ่อเทียนท่านไม่มีชาวภาษาปริยัติหรือมีแต่ว่าสภาวะที่ท่านใช้เนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะว่าท่านไม่มีประสบ ก, การณ์ท้งนั้นแต่มามีประสบ ก, การณ์ทางนั้นทั้งปริยัติปฏิบัติเนี่ยก็คงจะรับแบบวิธีการนี้โดยที่ไม่ไม่สืบ สาวไม่สืบหาต้นหาตอนเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้สืบไปสืบมาเทียบไปเทียบมาลงกันหมดอ๋อเข้าหลักสูตรพุทธเจ้าเป๊ะเลยเนะี่ยแล้วก็มาเอามาทำเป็นหลักสูตรอย่างที่เส้นเป็นปัจจุบันมันก็วัยขึ้นนะอันนั้นเบื้องต้นเนี่ยจึงอยากจะให้เข้าใจหลักการอันนี้ก่อนว่าเพื่อป้องกันการลังเลสงสัยว่ามาจากสูตรไหนพระไตรปิฎกเล่มไหนของ ของพุทธศาสนาเนี่ยเพราะในพระไตรปิฎกในสติปัฏฐานสูตรมันมาหลายแห่งนะหลายเล่มเล่มที่สิองเล่มที่สิบแปดแทบทุกเล่มเลยพุิสติปัฏฐานสูตรในพระไตรปิฎกส่วนแต่เล่มจะอยู่เล่มไหนแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นในสติปัฏฐานสูตรมันมีทั้งสี่หมวดใช่ไหมคือเรื่องกายญ า, านุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสิธิฏฐานธรรมานุานปัสสนาสิบิฏฐานในหมวดที่ว่าด้วยกายเนี่ยแบ่งเอาเป็นหหมวดหมวดที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องลมหายใจหมวดที่สองว่าด้วยเรื่องใช้รีบทสอยู่เดินนั่งนอนหมวดที่3ว่าด้วยยีรีบทด้วยพับตาอาปากเคลื่อนไหวเร็วไส้ไหลขวาหมวดที่สว่าด้วยอาการ32หรือจะว่าท่าสขึ้นก่อนก็ได้หรืออาการ3 2มขึ้นก่อน หมที่หที่6กที่หก็ว่าด้วยอสุภะปฏิกูลว่าด้วยของเสียในร่างกายในยร่างกายในหมวดเรื่องกายเนี่ยกายานุปัสนาเนี่ยส่วนใหญ่เราเอาตัวอาณาปณะสติเนี่ยมาประยุกต์ใช้หลายสกุลของกรรมฐานแทบทุกสกุลทีเดียวไม่ว่าสกุล อ, อาณาปาสกุลน้อยสกุลพุโทโธสกุลสมราหังหรือสกุล อ่า <c oughs> อย่างอื่นก็ตามเอาอานาปนาสติเป็นหลักพอมีนักปฏาบัตหลายท่านยืนยันที่มาก็ทําทเอ๊ะทาแล้วทำไมนมันไม่ลดทิฏฐิมรณะเราไม่ได้ทําน้อยไปหรือเปล่ามันก็น่าจะใช่แต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนวิธีการมันจะทําให้หมดได้ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอจะทําไปอีกนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ <c oughs> ยังงั้นเวลาชีวิตเราจะพอเราไม่ถึงร้อยปีแต่พระพุทธเจ้าท่านประกาศหลักสูตรท่านเจ็ดปีอ่ะ ทำไมมันไม่เวิร์กอะ่ะเราก็มาดูว่าอาดีตที่ท่านใช้อนาปานาสติสําเร็จเนี่ยเพราะท่านเหล่านั้นมีสติปัญญาเข้มแข็งสติปัญญาขั้นอาาัจฉริยะเพราะฉะนั้นท่านใช้สติกําหนดรู้ตามลมหายใจเข้าออกหรือใช้กรรมฐานบทไหนท่านเหล่านี้ไปได้หมดเพราะท่านมีบารมีบําเพ็ญมาในอดีตสูงมากเพราะฉะนั้นมาพบในวิธีการกรรมฐานจะเป็นวิธีนั้นท่านไปได้หมด แต่เหมาะสําหรับคนที่มีสติปัญญาชั้นเลิ่ชั้นอริยะแต่เราเนี่ยปานกลางค่อนข้างอ่อนมันคงไม่ไหวหรอกนะสติปัญญาปานกลางค่อนข้างอ่อนอย่างเราเนี่ยจะใช้กรรมฐานแบบละเอียดมงกุดกรรมฐานแบบอานาปนาสติเนี่ยไม่ไหวร่างกายก็อ่อนแอนั่งอยู่ก็ยังง่วงเลยนะยายใช่ไหมแล้วจะไหวอังมันไม่ไหวนะขณะเรานั่งทําไม่ค่อยครึ่งชั่วโมง เราทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งง่วงทั้งเบือ่อทั้งส็งทั้งขี้เหยียดมันไม่ไหวอะ่ะแต่ท่านอานาปนสติที่ท่านมีสติปัญญาไปเลืทั้งนั่นสามชั่วโมงหชั่วโมงนั่งตัวอย่างนิ่งอยู่เลยอ่ะแล้วก็ไม่ง่วงด้วยนะแต่เราเราเป็นนั่งหลับตาภาวนาพุทโธหรืออนาปนสตแบบิแบบใดแบบหนึ่งดูดิไม่ถึงชั่วโมงอามาว่ามีอาการใดๆใช่ไหมมีอาการนั้นแสดงว่าตัวพี่ตัวไอ้อินทรีย์ของเราเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าเรา เข้มแข็งแค่ไหนพิสูจน์ได้ดังนั้นถ้าเราจะใช้อานาปานสติกรรมฐานที่มันเกินกว่าสติปัญญาของเร า, เราก็เราก็หมดหนทางทแล้วก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ทางเลือกอีกทั้งหกทั้งหกทางทั้งห้าทางอ่ะก็คือในเมื่อสติปัญญาคุณไม่ไหวในอานาปานสติเดินไม่สุดทางแน่เพราะอะไรเพราะเราทรับย์น้อยไงเราไม่มีไอ เงินค่าเครื่องบินนะอนาประนสติมันเหมือนอมันเหมือนไอเครื่องเดินทางที่ละเอียดอ่อนนะนะใช้จัมโบ้เจตเลยน ะ, ะใช้อะไระรุ่นที่ประเภทเหนือเสียงนะอ่ะวิ่งจากอังกฤษอเมริกามาถึงเมืองไทยแค่หชั่วโมงอย่างเงี้ยนะเราไม่สามารถขนาดนั้นนะเราก็ลดระดับลงมา เราระดับลงมาก็คือมาใช้ตัวอีบทสี่และอีบทย่อยบวกกันนี่คือวิธีการของโคเทียนจริเลยอ๋อตรงนี้เองใช้อีบทสยืนเดินนั่งนอนแล้วใช้อิรีบทย่อยคือสัมปชัญญปะปัพภะกับปริยาปะทภะอียะบทมาบวกกันเป็นวิธีการของโคเทียนนะโดยเฉพาะสัมปจัญญปะปพภะเนี่ยชัดเจนมากว่า ในข้อที่สมของสมัยยะปภะเรี่ว่าสัมมินชีเตปาสาลิเตสัมบัญชนะ ก, กาลีโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมดยการคูเข้าและเหยียดออกใช่ไหมสัมมินชีเตคูเข้าปลาสาลิเตเหยียดออกตรงนี้ชัดเลยวอ้เนี่ยก็มาตรงนี้ไงในพระดารพิดกอ่าแต่ต้นมันว่าคัชชนตัวคัชามีติปัานติ การเดินการเดินก็รู้เดินรู้แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดพอหมดที่สองหมดที่3ว่าสมัย บ, บอกรายละเอียดเลยอภิกกนเตปฏิเกตเตสัมปชัญญะกาลีหมตุติมีความรู้สึกตัวทุกพร้อมในการเดินจงกรมเดินไปข้างหน้าแต่พอหมดที่สองเราทําไม่ถูกเราเดินข้างหน้นาก็พิกก็กลับมาเลยเราบอกว่าเดินถอยกลับมาข้างหลัง แต่มันไม่ได้ถอยกลักบแล้วก็กลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมแต่เราพลิกตัวกลับแล้วก็เดินมาทางเดิมแต่ถอยกลับหมายถึงว่าสืบเท้าถอยหลังอ่ะปฏิกันเตอพิเกนเตคือก้าวไปข้างหน้าปฏิกันเตอ ส, สืบเท้ากลับมาข้างหลังนี่ในหมดนี่เราเราทำไม่ถูกกันอพิกกนเตปฏิกันเตอสมัมปชานาการียไอการที่เรากลับมาทางเดิมเราก็นึกว่าเร า, าปฏิกันเตไม่ถูกปฏิกันเตก็คือสืบเท้าถอยหลังอะก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังอะถ้าเป็นผู้เท่าแข้งขาไม่ดี การทรงตัวไม่ดีไปไงถอยหลังบาที่ล้มเลยใช่ไหมคนหนุ่มก็เพราะฉะนั้นก็ทําสลับกันไปเดินเอาหน้าบางถอยหลังบ้างนี่เราก็พิสูจน์ว่าการเดินก้าวหน้าและถอยหลังอันไหนมันตื่นตัวเดียวกันการเดินถอยหลังก็ตื่นตัวดีฝ่าใช่ไหมมันเกิดการระมัดระวังขึ้นสติสมัมมาญาณก็เข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นในจุดเนี้เราจึงใช้ตัวกรรมาฐานที่เหมาะสมกับอินทรีย์ของเรา เหมาะสมกับอินีของเราในนี้ใช้ไฟอยู่นะเราเปิดไว้ก่อนเเข้าปิดเครื่องปดิดังนั้นเองก็เราอยากจะให้พวกเราเข้าใจพวกเราทั้งหลายเข้าใจหลักปริยัติเอาไว้ก่อนอเพื่อที่จะแก้ความลังเลสงสัยว่าวิธีการแบบนี้มันมาจากไหน เป็นอย่างไรเนี่ยามาก็จะเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าไม่ต้อ ง, งสงสัยเลยว่าตัวการเคลื่อนไหวมือก็ดีการเคลื่อนไหวเท้าก็ดีเป็นหลักของนะหลักของอะไรหลักของการเคลื่อนไหวในกายานุปัสนาสติหมวดที่ว่าด้วย อ, อียประถาปปะพร ะ, พะและสัมปชัญญะปะพร ะ, พะถ่ายไว้แล้สัมปชัญญปปะพร ะ, พะถ้าหากว่าเราเข้าใจได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่าคาชั่นตัววาคาชามิติปชาาติในส่วนของเอียบทีสีท่านต้องการให้รู้ชัดๆนะปะชานาติเนี่ย คือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้รู้ชัดๆเป็นเป็นช่วงเป็นจุดไปแต่พอมาถึงสัมปชัญญะปปะท่านรู้ชัดแต่ให้รู้ต่อเนื่องแต่อเนื่องแบบสัมปชัญญะไม่ใช่ต่อเนื่องแบบสมาธินะสมาธิแบบแบบแบบกดเกง่งเพ่งจ่องตั้งอยู่จุดเดียวไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเดินเนี่ย เราสามารถรู้สําหรับผู้ใหม่ยังไม่สามารถจะใช้ปชัญญประภาได้ก็ใช้ตัวเอียบทคือรู้เป็นจุดๆไปช่งว่าเดินหนักรู้หนักรู้เบาแค่นั้นก่อนเดินรู้หนักรู้เบารู้ก้าวรู้ย่างรู้เป็นจุดๆไปรู้เป็นช่วงๆไปแต่พอสติเริ่มเข้มแข็งขึ้นมันจะเริ่มรู้ถึงการสั่นสะเทือนว่าเวลาเราเดินไปเท้ากระทบพื้นเนี่ย การสั่นสะเทือนของความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ฝ่าเท้ามันกระเทือนกระเทือนขึ้นถึงปรีน่องกระเทือนขึ้ถึงเขา่ากระเทือนถึงขาตรงนี้แล้วแต่ว่าความรู้ตัวหรือสัมผัส ญ, ญัยของใครจะจะชัดเจนจะไวกว่ากันถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะความรู้สึกช้าเนี่ยมันก็จะรู้แค่ฝ่าเท้าแค่นั้นเองแต่คนที่มีสติสมัมปชัญญะมีความรู้สึกไวก็จะดีขึ้นมาหน่อย ก็คือรู้สึกถึงความกระเทือนของตึงของแข้งของขาของลําตัวขึ้นมาตามลําดับอันนี้เองที่เราไม่สามารถที่จะไปเล่งว่าให้มันเร็วเหมือนกันได้เพราะว่าความรู้สึกสัมผัสของแต่ละคนช้าวไวไม่เท่ากันนะบางคนสัมผัสเดินแล้วสัมผัสได้ทั้งตัวเลยใช้คําว่าสัมผัสนะไม่ใช้คําว่าสัมผัสไม่ใช้คําว่าจินตนาการหรือนึกหรืออ่า พยายามที่จะคิดพยายามที่จะรู้ไม่ใช่คือสัมผัสเท่าไหร่ก็เท่านั้นสมมติว่าเอาวางมือกับพื้นเนี่ยรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงเท่าไหร่ก็รู้ได้เท่านั้นอ่าตัวนี้คือกําลังของสติสัมปชัญญะที่เรามีอยู่แต่เราพยายามที่จะขยายไอ้ความรู้สึกที่เราสัมผัสเนี่ยให้มันละเอียดขึ้นให้กว้างขึ้นมันกลายเป็นจินตนาการแล้วมันกลายเป็นสัญญามันไม่ได้กลายเป็นตัวสติสัมปชัญญะตัวนี้คือหลัก วิธีการของพ่อเทียนที่ต่างจากวิธีการอื่นวิธีการอื่นที่ที่เราศึกษามาก็คือรู้เท่านี้แต่ขยายความเท่านี้สัมผัสได้แค่แค่หนึ่งหรือสองแต่ว่าขยายเป็นสี่เป็นห้าเป็นหเป็นเจ็ดโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ได้รู้ว่าเพราะว่ า, วาการชี้นาของครูบาอาจารย์ไม่ชัดเจนไม่ละเอียดพอเพราะนั้นคนเอาไปปฏิบัติก็เข้าใจ ไม่ถูกอ่าแต่ถ้าไม่ได้สอนผิดนะแต่รายละเอียดไม่พอเมื่อรายละเอียดไม่พอผู้ปฏิบัติซึ่งไม่มีประสบการณ์ก็ทําไม่ถูกเพราะทำไม่ถูกถก็มาคาดผลที่แน่นอนไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจถูกการเหยียบการย่างการกดการเก่งกัน เคลื่อนการไหวเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนในตัวของมันอยู่ส่วนเราจะสัมผัสได้มากได้น้อยได้ลึกได้ตื้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติพื้นฐานของสติสัมยาปัญญาของเราเองซึ่งตัวเนี้ยแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ละคนไม่เท่ากันแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงของเราเรามีความวัยของสติปัญญาแค่นี้ยเราก็ต้องรู้แค่นี้ไปเรื่อยๆก่อนอเราจะไปเห็นคนอื่นเนีรู้ไวเข้าใจไวเราก็จะไปไล่ตามเขามันไม่ได้เพราะกาลัง ของเราที่สั่งสมสติสัญญามาตลอดชีวิตเนี่ยบางคนใส่ใจตัวเองใส่ใจที่จะรู้เรื่องนี้มามานานแล้วแต่ว่ามันไม่เป็นกรรมฐานเท่านั้นเองนะเพราะเขามีเชื่อมาก่อนแต่บางคนไม่ใส่ใจเลยนะไม่ใส่ใจไปตามสัญชตาตญาณมันก็ได้แค่นั้นเมื่อจะมาปรับเป็นกรรมฐานเนี่ยมันก็จะต้องเหมือนเริ่มต้นใหม่อะเริ่มต้นรู้ตัวใหม่เราก็ทาไปตามกาลังของเราที่เราสวดอะสติ ยาธาพลังสติพละยาท้าพลังซาซาโนปฏิปฏนะิที่เราสวดว่าจะทำตามกำลังสตินะกำลังามนะสติกาลังสติกาลังปัญญาของเราเองนะเราเราเราสวดดังนั้นเองจึงไม่ต้องไม่ต้องรีบแต่ขอให้ละเอียดถี่ท่วนในการตามรู้แต่คำว่ารู้ชัดเนี่ยมั น, น, นไม่ได้หมถึงเพ่งจ้อง บีบรัดคัดเกรงจนกระทั่งว่าให้มันเพ่งมัน อ, อยู่จุดเดียวไม่ใช่อย่างนั้นน่ะคือรู้แบบรู้ให้มันชัดเขาว่าชัดกับเพ่งู่คนละอย่า ง, างเพ่งอยู่ไม่เขาจี้อยู่จุดเดียวแต่ชัดนี่หมายความว่าทําทั้งหมดนั่นแหละให้รู้ทั้งทั้งหมดอ แ, แต่ว่ารู้สัมผัสจุดที่มันมันชัดเท่านั้นเองแต่พยายามรู้ทั้งหมดแต่ว่าให้สัมผัสตามกําลังของสติที่เราสัมผัสได้เนี่ยรู้ชัดรู้ชัด แต่รู้ทั่วคำว่ารู้ชัดในรัศมีการเคลื่อนมันแอดจะอยู่ค่าที่มันกระทบะสมมติว่ายมเคยเอาหินเรือเอาไม้โยนลงลงในสระน้ำไหมโยนลงตุ้มเนี่ยวงของการสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะตีออกรัศมีเท่าๆกันใช่ไหมวงกลมเคยสังเกตไหม น้ำก็เพิ่มเอาไ ป, ไปขึ้นไปขึ้นเรื่อยกไปถ้ามันกระทบเบามันก็ขึ้นก็บางแล้วกแ็แคบพอมันกระทบหนักขึ้นมันก็แรงแล้วก็ชัดแล้วก็กว้างเนี่ยคอยสังเกตเหมือนกันนะการจุดกระทบเนี่ยมีรัศ ม, ม, มีไม่เหมือนกันบางคนบางคนกระทบได้ชัดรัศมีการรับรู้ก็กว้างบางคนกระทบได้ไม่ชัดลัศมีการรับรู้ก็แคบ เนีเหมือนกับเราโยนวัตถุเราและชีวิตที่รับรู้เนี่ยมันก็ออกไปสม่ําเสมอเหมือนกับเราโยนอโยนไม้ลงลงน้ําเนี่ยเราจะสังเกตว่าวงกลมมันขยายออกไปเนี่ยมันโดยธรรมชาติเลยนะโดยไม่ต้องไปกําหนดไม่ได้ไปวัดไปปรับให้มันเท่ากันอ่ะมันไม่มีวงกลมที่วงกลมน้ําที่กระทบแล้วมันจะเบี้ยวมันจะบูดเหมือนกับมันจะเป็นหยักเป็นไม่มีมันก็จะออกไป ถ้าเป็นน้ำนิ่งๆใสๆ ย, ย, ยิ่งเห็นชัดใช่ไหมจะบอกคลื่นอ่ะคลื่นกระทบอุปมาฉันใดการรับรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันนะการรับรู้ที่เรากระทบลงไปฉะนั้นเองในอิริบทีกับอีดีบทย่อยสัมพันธ์กันในแง่ของการกระทบสัมผัสซึ่งถ้าเราใช้ลมหายใจเนี่ยการกระทบมันมีอยู่แค่ลม เข้าและออกมีของสองจุดชัดๆนะเข้าหายใจลึกๆเราหายใจลึกๆดูอะลมสัมผัสลมสัมผัสในส่วนไหนของตั้งแต่ดูจมูกจะไปถึงท้องบ้างหายใจลึกๆดูสัมผัสได้จุดไหนบัางตั้งแต่ปลายจมูกกลางจมูกหลอดลมลําคอลงไปถึงท้องเนี่ย มันชัดจุดไหนบ้างชัดทีเดียวที่ท้องเลยใช่ไหมแต่ครูบาอาจารย์ในสายอนาปาท่านก็พยายามที่จะเรียบเรียงเห็นความชัดตั้งแต่ปลายจมูกผนังจมูกหน้าอกลิ้นปีตรงไปท้องอย่างเงี้ยบางครั้งมันผสมจินตนาการขยายมันไม่ใช่เป็นการสัมผัสแบบชัดๆแต่พอเราเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยมันมีระบบสัมผัสที่ชัดมากนะใช่ไมย ทั้งหมดในส่วนที่จุดหยุดเคลื่อนก็สัมผัสชัดจุดหยุดกี่จุดจุดเคลื่อนกี่จุดเนี่ยเอามาพยายามที่ให้นักศอษานับดูว่าจุดเคลื่อนมีสิบสี่หยุดมันก็ต้องสิบสี่นั่นหมายความว่ามันก็ถึงยี่สิบดจุดใช่ไหมจุดที่เราชัดก็คือจุดที่หยุดเคลื่อนนี่ก็ชัดบ้างไม่ชัดบาง เพราะนั้นเวลาสร้างจาังหวะเนี่ยอย่ากแกว่งแบบไปเรื่อยๆแต่ให้รู้จักหยุดให้รู้จักเคลื่อนให้ชัดบางคนพอคล่องแล้วเนี่ยมือไปไว้ายว้ายว้ายว้ายว้าว้อันนั้นก็สําหรับคนมีสติไว้ขึ้นแล้วก็จะทําได้แต่ผู้ผู้ใหม่ผู้เริ่มต้นเนี่ยคนใช้ให้ชัดไว้ก่อนหยุดก็ให้รู้หยุดให้ชัดเคลื่อนก็ให้รู้เคลื่อนให้ชัดหยุดเคลื่อนเนี่ยให้ชัดไว้เสมอเรียบเรียงอะเหมือนโยมก่อปูปูพื้นเนี่ย ไอ้คนที่มีศิลปะในการปูพื้นที่มันไม่เรียบเรียงให้ตรงกันนะมันไม่น่าดูเลยนะเนี่ยโยมที่นั่งเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นการเรียบเรียงแผ่นของสติแต่ละจุดแต่ละจุดเรียงกันไปเป็นแผ่ น, ผนมันจะสวยงามเรียก ว, ว่าเป็นฐานไงฐานของสติคือแผ่นกระเบื้องแต่ละแผ่นเนี่ยถ้าเอาสมมุติแผ่นกับเบื้องเป็นสติความชัดจุดหนึ่งจุดหนึ่งแล้วไปวางโดยที่ไม่มีปูนเชื่อมไม่มีายานแนวเชื่อมเนี่ยมันจะแน่นอย่างนี้ไหม มันไม่แน่นสติมันจะแน่นแต่เมื่อมีปูนที่เชื่อมอยู่ข้างล่างยาแนวที่เชื่อมอยู่ข้างบนเนี่ยมันถึงจะแน่นเพราะนั้นตัวสัมพันญยญเหมือนกับปูนที่เชื่อมเหมือนกับยาแนวที่เชื่อมแผ่นต่อแผ่นเรียกว่าสัมพัญธยและสติแต่ละจุดเหมือนกายแผ่นหนึ่งแผ่นกระเบื้องแผ่นนี้แล้วเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆมันก็กว้างฐานที่กว้างขึ้นเนี่ยขเขาเรียกว่าฐานของสมาธิไอการที่เราไปใช้ประโยชน์มันได้ก็เรียกว่าปัญญาใช่ไหม เราใช้นั่งได้นอนได้เดินได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคอันนี้คือผลมันเป็นออกมาเป็นปัญญาไอาการที่มันพื้นฐานเรียบโดยที่ไม่มีอุปสรรคนี่เป็นสมาธิไอาการที่มันเชื่อมติดกันอย่างเหนียวเน่ยเป็นอํานาจของสติและสมัมมัชย์ยะอันนี้คือคือรูปธรรม ท, ที่เห็นเห็นนะ่ะอันนี้สติคือความรู้สึกตัวเป็นจุดเป็นจุดมันกัระเบื้องแต่ละแผ่นสมัมมัชย์ยะที่รู้ตัวเชื่อมสติให้มันชัดไว้เสมอเหมือนกับตัวสมัมมัชย์ยะ เมื่อมันก่อฐานกันแน่นแล้วได้พื้นฐานกว้างขวางนั่นก็คือฐานของสมาธิอแล้วประโยชน์ใช้สอยคือตั ว, ต, วตัวปัญญาชีวิตเราก็เหมือนกันนะถ้าเราก่อฐานทั้งนี้ได้สําเร็จเนี่ยโอ้มันแค่นี้ก็พอเราไปไม่เป็นเรียนอะไรกันมากในวิธีการของวเทียนไม่ต้องไปพูดถึงหลักการอะไรมากแต่ต้องพูดมากเพราะอะไรเพื่อทําความเข้าใจให้มันชัดเท่านั้นเองพูดวิธีการของวเทียนทําความเข้าใจมากที่สุด เมื่อก่อนออกมารู้สึกเป็นบาปอะมุ่งดีลำพาญอ่าตอนเช้าก็พูดตอนสายก็พูดกินข้าวก็พูดก่อนฉันก็พูดฉันแล้วก็พูดอีโอ้อะไรก็นั่งหนาลงพราแต่มาถึงตาเราว่าโอ้มันจําเป็นจริงๆมันจะต้องความทําความเข้าใจกันทุกช็อตทุกเรื่องเนี่ยเมื่อเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ความเคยชินมาตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมแอบ จ, จู่ๆออกมา พลกให้เป็นใช้ชีวิตอย่างมีสติมันไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมแล้วเชื่อมอีกทําแล้วทำอีกนะบางคนก็เชื่อมเหล็กต่อเหล็กง่ายหน่อยเอาไม้ไปเชื่อมเหล็กก็ยุ่งเลยนะยิ่งเชื่อมยากนะเพราะฉะนั้นไอ้การเชื่อมต่อระหว่างที่จะให้สติสัมปชัญญะที่มันเป็นสันทัศนยานความเคยชินมาตลอดชีวิตเพื่อที่ให้มันเป็นเปลี่ยนเนื้อให้เป็นสติสัมญาที่เป็นสติ ปัญญาญานที่เป็นปัญญาเป็นวิปัสนาญาณเนี่ยมันยากแต่ก็ทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้คือเปลี่ยนความเคยชินเสื่อใหม่เคยชินแบบไม่รู้ตัวให้เป็นความเ ค, เ, คเคยชินแบบรู้ตัวนะทำได้นะดังนั้นในจุดเนี้ยก็จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรภายในเจ็ดวันเนี่ยในวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อามาจะทําเรื่อง ของสติปัะฐานสูตรด้งในสามวันท้ายเนี่ยเราก็มาพิสูจน์อย่างต่อเนื่องดูในสี่วันแรกนี่ก็คือพิสูจน์ไปบ้างศึกษาไปบ้างทางปริยัตและปฏิบัติในวันที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเป็นการศึกษาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติล้วนๆเนี่ยดูว่าพวกเราจะได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวไหมเพราะฉะนั้นตอนหลังมาเนี่ยการจัดอลงลมในสายงานมา เลยต้องมาปรับเรื่องเนี้สายงานก็รับไม่ได้เพราะเขาเคยทําแบบนั้นมาก่อนอพอมาทําแบบนี้เขารับไม่ได้เพราะอะไรเพราะพี่เลี้ยงต้องต้องเป็นเพื่อนนักปฏิบัติตลอดอ ะ, อะที่สายงานที่แล้วมาปล่อยนักปฏิบัติเข้าสู่ที่ปฏิบัติเราพี่เลี้ยงไปนั่งสนเสฮางะที่ไหนไม่รู้ปล่อยให้พระใหม่ก็โยมปฏิบัติอยู่เหมือนกันก็นกไปไปไม่เป็นถ้าเพราะว่าไม่มีใครเป็นกําลังใจพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ เป็นกำลังใจที่สําคัญนะมายืนยันความถูกต้องและยืนยันความเข้มแข็งให้ดูว่ า, าเราเป็นผู้มาใหม่เนี่ยต้องการแบบอย่างที่ดีใช่ไหมถ้าแบบอย่างที่ไม่ดีเราก็ไม่มีกําลังใจที่จะทําไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอันนี้มาก็มาปรับว่าผู้เป็นกิริยะมิตคือครูบาอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยต้องทําให้ดูอยู่ให้เห็นทําให้เป็นเย็นให้สัมผัสไม่ใช่ฉันทําหน้าที่แล้วก็แล้วแต่เธอจะปฏิบัติเอาอย่างนี้ไม่ได้ เหมือนกับระบบทั่วไปอ่ะแต่ระบบกรรมฐานไม่ใช่อย่างนั้นระบบกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกก็บอกให้รู้แล้วไม่พอต้องทําให้ดูทําให้ดูไม่พอต้องอยู่ให้เห็นออยู่เห็นยังไม่พอทําให้เป็นเป็นไม่พอต้องเย็นให้สัมผัสบอกให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นทําให้เป็นเย็นให้สัมผัสระบบของหลวงพ่อเทียนนดังนั้นเองในช่วงเช้าเนี่ยหมากเรียกว่าจากช่วงหก โม่หกโมงถึงหโมงครึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของภาคทฤษฎีหรือภาคที่จะทำความเข้าใจจาก6ก0นงครึ่งถึงเจ็ดโมงแล้วจะพิสูจน์ครึ่งชั่วโมงเดินออกต้นเช้าในี่เดินเดินจงกลมร่วมกันก่อนนะใกล้จะเจ็ดโมงเก็เข้ามารับอาหารเช้าเจ็ดโมงนะฮะั้งนี้เพื่อที่จะให้ให้ใช้เวลาและสถานที่และการปฏิบัติให้มัน ใ้มชัดเจนนะเพราะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่มาอาจารย์พงศ์ได้ทํากันมาตั้งแต่ปีสองถึงปีสี่หกนะทำมาเรื่อยๆใช้มาเรื่อยปรับมาเรื่อยๆอาจารย์พงศ์ท่านเป็นพระที่มีประสบการณ์ทงางฆราวาสมาก่อนท่านก็ทําได้ดีนะหลานทําตรงเนี้แล้วก็ในเสนาสนังอื่นๆมัม า, มาเริ่มตรงนี้ปีสี่หกสี่เจ็ดจนถึงอ ปัจจุบันจนหลังๆมามาก็ไมเ่เคยได้มาปล่อยให้ท่านพระธรรมมางานก็ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆแต่ก็ปรากฏว่าท่านก็รักษาระบบระเบียบและความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องที่นี่ก็มีสปยาย่าดีน้ําก็ไม่ต้องซื้อนะไฟเราก็ลงทุนครั้งเดียวคือลงทุนเรื่องโซลารเซลล์เอาโซลารเซลล์มาติดแต่มันก็ยังไม่พอใช้ไฟเครื่องปั่นช่วยเนี่ย การที่จะเดินไฟใหญ่มามันก็ไม่ไหวเนาะมันใช้ลงทุนสูงดังนั้นแล้วก็ใช้ธรรมชาติแสงไฟแสงแสว่างตามธรรมชาติแล้วก็น้ําตามธรรมชาติผักส่วนใหญ่เราพยายามปลูกเป็นผักธรรมชาติอาหารธรรมชาติพยายามจะเอาผักผลไม้มาจะข้างนอกนน้อยแล้วปลูกกล้วยไว้เยอ ะ, อะก็ใช้ตัวนั้นดังนั้นจากช่วงนี้ไปนะเราก็จะเตรียมตัวกันเพื่อเดินชมกลุ่มนะ เตอนนี้เก็บหนังสือก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ไปวันต่อวันเพื่อที่ให้เราจะได้ไม่เสียเวลาในการมาในครั้งนี้สิ่งไหนที่จตมาพูดจะมากล่าวไปแล้วมันไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งต้องถามกันทุกๆครั้งไปนะแล้วก็ในช่วงเช้าที่เราพาออกล่งกายในรายละเอียดามาก็จะทำความเข้าใจเป็นวันๆไป แต่วันนีนะ้คุณประจวบกับโยมเปี่ยมสุขมีศรัทธาในการทํารายละเอียดที่เราทําช่วงเช้าว่าทําอะไรเพื่ออะไรเหตุผลไป็น ไ, ไงแล้วก็มีชี้แจกเดี๋ยวตอนกับจากจงกรมมาทานอาหารเสร็จใครต้องการในรายละเอียดต่างก็มาหยิบประตุลนี้ได้เลยนะเพื่อี่เราจะได้รู้ที่ไปที่มาว่าทําเพื่ออะไรอย่างไรนะก็ขอนบุตรนาสาธุให้มนะีความตั้งมั่นศรัทธามีความเพียรที่เข้มแข็ง ที่จะศึกษาเรื่องนี้ไปได้อย่างตลอดรอดฟังและได้ผลด้ยการปฏิบัติมีสติเป็นฐานของชีวิตมีสมาธิมีปัญญาสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านท่น